เรื่องพญานาคที่เขื่อนลำตะคองโดยคุณจันแจ่มสุวรรณเกตตอนอุปสรรคเหนือธรรมชาติบนเส้นทางเข้าสู่แดนอีสาน เกาดลำตะครอที่จังหวัดนครราชสีมามักจะเป็นจุดพักรถยอดนิยมผู้เดินทางจะได้เห็นทะเลสาบที่สวยงามเหนือเขื่อนจุดนี้เป็นจุดที่ต่ำสุดของบริเวณที่เรียกว่าดงพญาเย็นซึ่งอยู่ในดงพญาไฟเป็นที่เก็บน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทั้งหลายเมื่อครั้งเป็นป่าดงดิบใหญ่ที่ถึงกับต้องเรียกว่าดงพญาไฟก็เพราะอุดมไปด้วยสัตว์ป่าใหญ่น้อยเต็มไปด้วยอันตรายสุดๆถึงชีวิต ใครเดินทางผ่านดงป่าใหญ่พ้นออกมาได้โดยปลอดภัยจากข่มเขี้ยวเล็บของสัตว์ป่าหรือไข้ป่าได้ต้องเป็นที่ยอมรับนับถือของบรรดานายพรานอาถรรพ์ต่างๆของป่ายังคงมีมาอย่างต่อเนื่องโดยหาเหตุผลไม่ได้แม้จนการสร้างเืนลำตะคองในยุคปัจจุบัน ที่สร้างด้วยวิทยาการสมัยใหม่เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บน้ําจากเทือกเขาใหญ่และดวงต่างๆที่ไหลลงมารวมกันกลายเป็นทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่เพลิดเพลินของผู้เดินทางที่ได้อาศัยพักตาพักใจรับประทานอาหารริมเขื่อนและเป็นจุดพักที่ร่มรื่นที่เขื่อนลำตะคองนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้สร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบกลับขึ้นเพื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าให้แก่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้มีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอด้วยเงินลงทุนถึงสองหมื่นกว่าล้านควบคุมโดยทีมวิศวกรทั้งต่างประเทศและในประเทศที่มีความชนานาญของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการก่อสร้างเป็นไปด้วยความยากลําบากเกิดปัญหาอุปสรรคหลายด้านทั้งก่อนและหลังการก่อสร้างอาทิปัญหามวลชนบริเวณโดยรอบ ปัญหาอ่างพักน้ำบนเขาเกิดรั่วซึมปัญหาการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มาติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแล้วไม่สามารถจ่ายกระแสฟไฟฟ้าเข้าระบบได้ตามกำหนดเวลาซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นลหลายครั้งก็เหนือคำอธิบายเพราะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอยู่แล้วจึงไม่ควรที่จะมีอุปสรรคมากมายจนเกินกว่าการแก้ไข พึ่งบารมีพระอาริยะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรนี้ส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธและมีความเชื่อในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเกิดขึ้นจึงมักจะไปกราบอารัธนานิมนต์ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีบารมีมีภูมิธรรมมีเมตตามีพลังจิตสูงตามวาสนาของแต่ละองค์ มีอำนาจที่เป็นที่เคารพยำเกรงของโอปปปาติกาทั้งหลายให้ท่านมาเมตตาทำพิธีให้เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลจากความเชื่อถือยึดมั่นในอำนาจคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกอฟพ อ, พอจึงได้กราบอาราธนาพระอริยสงฆ์หลายรูปที่มีคุณวิเศษต่างๆกันอาทิหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาหลวงปู่เสา ว, วัดกุดเวียน จังหวัดนครราชสีมาอาจารย์จำเนียนวัดถ้ำเสือจังหวัดกระบี่อาจารย์ชัยวัดทับปุตรจังหวัดพังงาแม่ชีดวงมณีจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่สอพันธุโลวัดป่าน้องแสงจังหวัดยโสธรและอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปฏีโปวัดอรัญญาวิเวกจังหวัดเชียงใหม่มาประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ หท่านผู้อํานวยการโครงการคนก่อนคือคุณประพันธ์พานิชผลซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เปลี่ยนได้อารัตนาท่านมาที่โรงไฟฟ้าลําตะคองเมื่อท่านได้ไมาเห็นสถานที่ท่านบอกกับคุณประพันธ์ว่าสาเหตุที่การทํางานมีปัญหาติดขัดก็เนื่องจากในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอุโมงค์ใต้ดินต้องใช้ระเบิดขุดเจาะในขณะทํางานเป็นส่วนมากพยานาที่อยู่บริเวณนั้นเขาโกรธเคืองมากเพราะมีเสียงระเบิดตู่มตุมทั้งวัน เป็นการรบกวนและท่านอาจารย์เปลี่ยนได้บอกกล่าวกับพญานาทั้งหลายว่าถ้าต้องการอะไรก็ให้ติดต่อกับท่านเหตุการ์ต่างๆก็ดีขึ้นมาระยะหนึ่งต่อมาเมื่อคณะทำงานลงไปสำรวจในเขื่อนลำตะคองก็จะถูกงูใหญ่ไล่ตามเรือแบบไม่ลดละทำให้ทุกคนหวาดกลัวมาก ดมฤตโครงการมหากุศลปัญหาต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะระยะโดยเฉพาะอ่างพักน้าบนเขายัางรั่วซึมสร้างความกังวลให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างมากจึงมีความหวังว่าอำนาจคุณพระรัตนไรัยที่ประเสริฐเท่านั้นที่จะช่วยให้บังเกิดความราบเรื่องในกิจการงานให้ทุกอย่างสําเร็จด้วยดียได้ นี่คือเหตุผลหนึ่งที่ผู้อำนวยการโครงการคนต่อมาคือคุณเรวัดสุวรรณกิติและคณะผู้ปฏิบัติงานมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจะกราบรัฐนาหลวงตามหาบัวมารับพระป่าช่วยชาติที่โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับข้าพเจ้ามีความรักเคารพนับถือศรัทธาองคหลวงตาอย่างมาก จึงได้นำเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนี้กราบเรียนหลวงตาให้ท่านได้รับทราบพร้อมทั้งกราบอาราธนาท่านมารับพระป่าช่วยชาติด้วยในขณะนั้นชาติไทยเราตกอยู่ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีส่วนร่วมในการช่วยชาติอีกทางหนึ่งด้วยทั้งยังเป็นการได้ร่วมสร้างพลังสามัคคีของคนในชาติเน้นถึงความรักชาติและการสนองคุณแผ่นดิน รวมแสดงน้ําใจสละทรัพย์สินเงินทองตามกําลังเพื่อ น, นําเข้าคลังหลวงเป็นหลักประกันชาติให้เกิดความมั่นคงสร้างความภาคภูมิใจความปีติใจที่ได้มีส่วนสร้างทานบารมีอันเป็นมหากุศลได้ถวายพระป่ากับองค์พระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้นําที่มีความบริสุทธิ์สุดส่วนเช่นองค์หลวงตาอันจะบังเกิดเป็นอนิสงส์สูงสุดไม่มีประมาณแม้ละโลกนี้ไปแล้วหากยังไม่สิ้นกิเลสมีบุญได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก จะได้สวยผลบุญที่ทำไว้แล้วนี้ด้วยความสมบูรณ์ภัยบุญตลอดไปด้วยอีกทั้งยังเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่หลวงตาได้เมตตาตอบรับนิมนต์เดินทางมารับพระป่าช่วยชาติมหากุศลในวันที่ 1-2 กรกฎาคมพุทธศักราช2545ผู้ปฏิบัติงานทุกคนต่างปีติยินดีต่อข่าวนี้ ทุกคนช่วยกันเตรียมงานด้วยความตั้งใจนอกเหนือจากผู้ปฏิบัติงานกอฟผอแล้วยังมีบุคคลที่รักและเทิดทุนหลวงตาไว้เหนือเกล้าได้เข้ามาช่วยเหลืองานอาทิคุณพุทธชาติคุณธนาทิพคุณทิรพัฒคุณอมรคุณกู้ศักดิ์คุณฝนเจ็กเล็กและหน่วยงานราชการต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาต้องขออาภัยที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบสำหรับบุคคลที่ได้เอ่ยนามมานนี้ต้องขอชื่นชมในความทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจ ซึ่งเกิดจากความรักและเคารพสูงสุดในองค์หลวงตาในที่นี้ขอเรียกว่าคณะแจกต้นพับป่าช่วยชาติการทํางานของคณะคือต้องไปแจกต้นพับป่าให้กับชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านทั้งในละแวกใกล้เคียงและห่างไกลเพื่อชาวบ้านจะได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญมหากุศล น, นี้ด้วยหวังให้พี่น้องลูกหลานไทยได้มีโอกาสทําบุญกับองค์พระอาหารหันต์ผู้บริสุทธิ์สุดส่วนอย่างหลวงตาซึ่งจะเป็นอานิสงฆ์แก่ทุกคนสืบไป ทั้งชาตินี้และชาติหน้า